จึงได้นามเรียกว่าเป็นอริยะพุทธพจน์นี้จากสังยุตตานิกายมหาวาราวักนี้ถือตามที่อ้างในวิสุทธิมักแต่ในบาลีฉบับอักษรไทยไม่มีคำว่าอาริยะจึงต้องแปลว่าเพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสีนี้ตามเป็นจริงตถาคตจึงได้นามเรียกว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ คำพีวิสุทธิมักอ้างความในบาลีมาแสดงความหมายของอริยสัจ ร, รวมได้สี่ในยะในยะที่หนึ่งสัจจะที่พระอริยะตรัสรู้ในยะที่สองสัจจะของพระอริยในยะที่สามสัจจะที่ทําให้เป็นอริยะ และในยะที่ 4, สี่สัจจะอย่างอริยะคือแท้แน่นอนวิสุทธิมักอ้างบาลีมาแสดงความหมายในยะที่หนึ่งด้วยว่าภิกษุทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายยอมแทงตลอดซึ่งสัจจะเหล่านี้เหตุนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจแต่บาลีนี้ ไม่พบในพระไตรปิฎกที่มีอยู่ความหมายในยะที่สเราแปลอริยว่าประเสริฐจึงแปลอริยศาสตร์ว่าความจริงอย่างประเสริฐหรือความจริงอันประเสริฐแต่ของท่านแปลตรงตามพุทธพจน์ว่าความจริงที่แท้สำหรับความหมายของอริยศัสตร์แต่ละข้อ พึงทราบตามบาลีดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์การประจวบ ก, กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่อคือโดยใจความอุปทานะขันห้าเป็นทุกข์พิกษุทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันนำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะ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 ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิขยายความออกไปอีกเล็กน้อยดังนี้หนึ่งทุกขแปลว่าความทุกข์หรือสภาพที่ทนได้ยาก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 หรือความขับคล่องติดขัดในรูปใดรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่อาจปล่อยโปรงโล่งเบาเป็นอิสระสดชื่นเบิกบานได้อย่างบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่รู้จักความสุขชนิดที่เรียกว่าไร้ไฟฟ้าและไม่อืดเฟ 3. ทุกกขนนนิิโรเรเียสั้ๆว่าโรธ แปลว่าความดับทุกข์ได้แก่ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชาสำรอกตันหาสิ้นแล้วไม่ถูกตันหาย้อมใจหรือฉุดลากไปไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกกระวนกระวายความเบื่อหน่ายหรือความคับคล่องติดขัดอย่างใดหลุดพ้นเป็นอิสระประสบความสุขที่บริสุทธิ์สงบลอยโปร่งโล่งเบา ของสายเบิกบานเรียกสั้นๆว่านิพพาน 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรียกสั้นๆว่ามักแปลว่าปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยอัตทงัง ก, กิกรรมก หรือทางประเสริฐมีองค์ประกอบ8ดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะเป็นทางสายกลางซึ่งดำเนินไปพอดีที่จะให้ถึงนิโรธโดยไม่ติดข้องหรือเอียงไปหาที่สุดสองอย่างคือการมสุขขันลิกานุโยคความหมกมุ่นในการมสุขและอัตตากิลิามัฐานุโยค การประกอบความลำบากแก่ตนคือบีบคั้นทรมานตนเองให้เดือดร้อน